นะโมต ity, โัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสะมุตตัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสะมุตตัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุตติสะจิตตังดันตังสุข่าวห่งตีตีโอกาสต่อจากนี้ไป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 แต่มีแต่ความสะอาดสะอาดมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านนั้นจะเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงจะนั่งจะนอนตรงไหนก็มีแต่ความสบายกายสบายใจเพราะนั้นบ้านที่น่าอยู่เนื้อน้าอาศัยอยู่นั้นเพราะบ้านนั้นมีความสะอาดสะอาดมีะด ร, มเ ร, ร, ร ะ, ะ, มะเบียบเรียบร้อยมันจึงเป็นบ้านที่คุ้ค่าต่อกัรอยู่กันอาศัย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 มันจึงจะมีความสะอาดสะอ้านขึ้นมาได้แล้วแม้การปราศรัดชิดถูจากติงใจของเราให้เข้าที่เข้าทา ง, ทางมีความเหน็ดเหนื<ๆ>่อยยากลําบากอย่างไรก็ตามแต่เมื่อมันมีความสะอาดสะอา้านมีระเบียบเรียบร้อยหน้าอยู่น่าอาศัยแล้วเราก็มาพักผ่อนได้อย่างสุขอย่างสบายหายเนี่ยหายเหนื่อยไปหมดสิน้นย้อนเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคน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 เราไปผัดเพี้ยนมาขอให้ฉันไปนอนตั้งก่อนแล้วค่อยตายยังไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรอย่าไปผัดเพี้ยนวันประกันพุ่งได้เลาแต่มีสถานะนี้แหละเวลานี้ขณะนี้แหละที่พยายามปฏิวัแม้จะไล่าตามเรามาติดติดแต่ยังมาไม่ถึงเราก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราควรจะเอาเวลานี้แหละมาโาวนาะ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 ที่ไปมาเป็นข้ออ้างในการมาอบรมจิตอบรมใจของพวกเราสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พวกเราควรจะตเวนตัวของเราเองได้แล้วเพราะการผ่านการเวลาของพวกเรามาในขณะนี้เราผ่านมา ก, กี่วันกี่เดือนกี่ฝนกี่หนาวแล้วพราทิษมันมีขึ้นมันก็เวียนมันก็นขึ้นมาเรื่อยวนไปเรื่อยเรืถึงที่สุดมันก็ตกไปสู่ความค่ามืด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 เราจะยกเอาอนาปานสติขึ้นมาก็ตาม ท, ที่เป็นหลักยึดของจิตหลักสําคัญมันขึ้นอยู่กับ ส, ต, สติความมีสติเป็นตัวสําคัญที่สดุดในขณะที่เรากําหนดพุทโธพุทโธมาเป็นอารลุงของจิตนั้นถ้าเรามีสติกํากับกจิตให้อยู่กับพุทโธเราจะมีความรู้สึกสัมผัสของพุทโธพุทโธอย่างชัดเจนในความรู้สึกของเรา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 ไอ้ฟามีสติจะแนบแน่นในการกำกับจิตให้อยู่กับบทธรรนั้นก็เพราะการฝึกฝนอบรมของเราฝึกให้มากฝึกให้บ่อยฝึกให้ยิ่งเพราะงานทำสิ่งใดก็ตามถ้าเราทำบ่อยทำมากทายิ่งแล้วเราก็จะค่อยๆชํชนานิชานาญในการทำงานนั้นการทำงานนั้นก็มีความคล่องแคล่วสะดวกง่ายขึ้นในการทาของพวกเราการภาวนาก็เช่นกัน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 สี่เหล่านั้นจางออกไปจากการครอบงาจิตจิตก็เริ่มมีความเบิกบานมีความผ่องใสเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจขขอยู่แต่เก่าก่อนนี่แหละเราจะเริ่มเห็นผลจากการภาวนาพอเรามาภาวนาเราจะมีความรู้สึกสัมผัสถึงความสบาย อ, อกสบายใจซึ่งชีวิตของพวเราไม่เคยได้สัมผัสเลยทั้งๆ ท, ที่เราปรารถนาความสุขความสบายอย่างนี้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 เราก็เลยยกย่างโอ้ยฉันมีอย่างนั้นฉันได้อย่างนั้นฉันเป็นอย่างนั้นฉันจะมีความสุขเราก็เลยมีแต่ความบัวเมาร่มหลงแสวงหาในการบุคคลทั้งหลายมาตลอดแต่พอบัดนี้ที่ของเรารวงตัวเข้าสู่ความสงบเท่านั้นแหละเรามีสิ่งที่มาเปรียบเทียบ ก, กับการบุคคลทั้งหลายที่ชีวิตของพวกเราผ่านมาสัมผัสสัมพันธ์มามากมายไก่กอง น, นั้นว่าสิ่งได้มีคุณค่ากว่ากัน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 แต่ไม่มีสภาพใดที่พวกเราไปสัมผัสเกี่ยวข้องจะสามารถเข้ามาครอมงําจิตใจดวงนี้ให้หวันไวเอ็เยียมไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้อีกต่อไปเพราะมีสมาธิเป็นเกาะคุ้มครองปกปั ก, กรักษาจิตดวงนี้พระวรุทธเจ้าพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบสมาธินี้เหมือนภูเขาสิลาแห่งทึบที่ไม่วันไวจากลมจากสีที่แปดทาง โผมพัดกระ น, นำมากระทบภูเขาศีลาแทงทึพนี้แตกกระจายกระจุยจายไปหมดไม่สามารถมาทําภูเขาสีลาแท่งทึบ น, น, น, นี้ให้เอ็ดเอียงไปได้ยีที่มีพุ่นถานของสมาธิอยู่ก็จริงกันไม่มีโลกกระทำใดไม่ว่าจะเป็นเสื่อมได้ลาบเสืม่มลาบได้ยศเสือสเส่อมยศได้สริเสริญได้สุขได้สริเสริญได้นินถาได้สุขได้ทุกหรือจะได้หรือไ ด, ไ ด, ได้สิ่งใดเสียสิ่งใดก็ตาม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 ซึ่งเราเรียกว่าปัญญาเพราะนั้นปัญญาเลยคือควมีความรอบครอบมีความแยกคายมีความละเอียดในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นถิ่นนั้นเมื่อเรามีปัญญาคู่เคียง ก, กับการดําเนินชีวิตแม้ชีวิตของเรายัางดําเนินไม่ไดชีวิตทางโลกหรือดําเนินชีวิตในทางธรรมปัญญาตัวนี้แหละจะเป็นตัว เ, เป็นเครื่องมือที่แบบวิาทางเดินให้พวกเรา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 ตัวของเราเองทุกท่านทุกคนจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกตามเสด็จแห่งบรมพราปสศ า, า, า, าสดษาของพวกเราสมนางที่พวกเรางุ่งมากงุ่งมากปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยปากาละชนี <c oughs>